อยากาศภายในแคมป์ท่ามกลางกองไฟที่สุมอยู่เป็นหย่อมๆเครียดหนักอากาศทวีความหนาวจัดขึ้นทุกทีเมื่อเวลาล่วงไปและหมอกเริ่มปกคลุมขาวมัวไปหมดบัดนี้หน้ากองไฟที่สุมอยู่ใกล้กระโจมพักของนายจ้างอันมีคิดกับสแตนลีย์ซึ่งนอนหลับไปแล้วอย่างผู้บาดเจ็บด้วยฤทธิ์ของยาระงับประสาทอิสเบลนั่งขึมอยู่บนขอนไม้ริมกองไฟ มือมองดูปเปลวสีแสดที่แลบเลียสูงสูงต่ำาๆอยู่กระท่อนฟืนนานๆก็จะเหลือบดูนาฬิกาข้อมือสักครั้งส่วนรพินพร้อมเกิดและเสยขอตัวออกไปเดินตรวจ ด, ดูรอบๆ อ, อ, อาณาบริเวณอันเป็นที่พักพวกกระเรียงอพยพและพวกลูกหาบส่วนใหญ่พักนอนกันหมดสิ้นแล้วเรียงรายอยู่เป็นจุดๆ ยกเว้นแต่พวกที่ถูกกําหนดให้อยู่ยามตามไฟครู่ใหญ่ต่อมาจอมพรานก็เดินเข้ามาในบริเวณพร้อมกับคนของเขาทั้งสองสั่งการอะไรอยู่ครู่หนึง่งทั้งเส่ยและเกิดก็แยกกันไปนอนตัวเขาเองขยับจะเดินไปที่พวกซึ่งเฝ้ายามอยู่แต่เหลือบมาเห็นแบลซะก่อนจึงเดินตรงเข้ามายืนอยู่ตรงหน้าโดยมีกองไฟกั้นไว้ เบ์คุณควรจะเข้านอนพักสิเถอะเชื่อผมน้ำเสียงของเขาเคร่งขรึมแต่แฝงแววอ่อนโยนปราณีหลอนเหลือบตาขึ้นมองพลางขยับเสื้อแจ็คเก็ตหนังที่คลุมไหล่อยู่ให้แนบกระชับกับตัวถอนใจยาวกระพินฉันคงจะหลับได้ยากมากละคืนนี้และถ้าจะหลับ ก็เห็นจะต้องพึ่งยาระงับประสาทเหมือนอาจารย์ฤกคีเช่นกันเป็นไงบ้างล่ะคุณออกไปตรวจดูรอบๆ บ, บ, บริเวณแล้วไม่ใช่เหรอพอจะมีข้าวเงื่อนความหวังมั้งไหมเบงครับเรายังมีเวลาแห่งความหวังจนกว่าจะเช้านะครับรบพินตอบไม่ตรงคำถามสำหรับคุณเนี่ยถ้าเชื่อผมก็เข้าไปนอนพักซะเถอะ แล้วก็นอนให้หลับเอาแรงไว้แม้จะต้องพึ่งยาก็ตามาจะมานั่งรอฟังข่าวอยู่แบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรผมสัญญาครับว่าถ้าทั้งสี่คนนั้นมาถึงเมื่อไหร่ผมจะปลูกพวกคุณขึ้นทันทีถ้าทั้งสี่คนนั้นมาถึงใช่ไหมเบลทวนคําเน้นช้าๆมองข้ามกองไฟมาที่ใบหน้าแข็งกระด้างเป็นมันเรื่องเหมือนหินสลักนั้น แปลว่าแปลว่าคุณยังมีความหวังอยู่อีกใช่ไหม A dark night a single star is better than a s i n เสียงของมักคุเทศ์นำทางต่ำลึกเบลฝืนยิม้มเอามืออันเย็นเฉียบทั้งสองอังเปลวไฟแล้วแหงนมองดูท้องฟ้าเบื้องบนอันมนสนิท ทึมทึบด้วยหมอกใช่ในราตรีที่มืดสนิทหากมีดาวแม้เพียงดวงเดียวก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรซะเลยแต่แต่คืนนี้ฉันมองไม่เห็นดาวสักดวงจะมีก็แต่พยับหมอกแล้วฟ้าดำมืดทมืนนะรพิงเบงครับวิทยุ ข, ของผม ได้ยินสัญญาณอะไรบางอย่างแวววออกมาคล้ายๆจะเป็นเสียงพยายามเรียกแต่ก็ยังจับสับไม่ได้แน่ชัดนักขณะที่ผมเดินเรียบไปทางไหลเขาด้านเหนือเมื่อตะกี้นี้เขาพยายามปลอบใจแต่เบนสั่นสีสักราพินฉันก็เปิดวิทยุสแตนบายอยู่ตลอดเวลานะสะบานว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ถ้าคุณได้ยินจริงก็อาจจะเป็นเสียงของคลื่นอากาศหรือมิฉะนั้นก็เกิดจากแร่ธาตุอะไรบางชนิดหรือมิฉะนั้นอาจจะเป็นนิ้วของคุณเองก็คงจะไปกระทบกับตุ่มสเควนตของวิทยุนั่นเข้าทาให้เกิดเสียงสู้ขึ้นเหมือนใครพยายามเรียกมาไม่เคยมีครั้งใดเลยนับตั้งแต่พบเห็นกันมาแต่ครั้งแรกจนกระทั่งร่วมเดินทางมาด้วยกัน ที่ระพินจะเห็นอิสเบรซึ่งซึม ง, ง, งอยเงาเหมือนคราวนี้ตามปกติแล้วหล่อนเป็นคนร่าเริงแจ่มใสยอยู่เป็นนิดหูตาท่าทีถอยสำเนียงล้วนที่เล่นและก่อกวนกามาตลอดการแต่ยามนี้ไม่เหลือคราวนั้นอีกเลยแทบจะ ก, กลายเป็นคนละคนแววตาหมองเศร้าอิดโรยอย่างน่าสมเพชเบนครับ ผมขอร้องอีกครั้งนอนเถอะผมเองก็จะนอนพักเหมือนกันเราเหนื่อยกันเหลือเกินตลอดวันนี้นะครับคุณไปนอนก่อนเถอระรพินไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันะนั่งอยู่ที่นี่อีกสักสองสามนาทีรพินซุดกายลงบนก้อนหินเตียเตียวฝั่งตรงข้ามกระหล่อมอาะเบื ผมอนุญาตให้คุณนั่งอยู่ที่นี่ได้อีกห้านาทีแล้วก็ขอสั่งให้คุณเข้านอนเลยขณะนี้หัวหน้าใหญ่เรื่องอาจารย์ของคุณก็กลายเป็นคนป่วยนอนหลับไปแล้วรวมทั้งคณอนคิดด้วยผมจำเป็นจะต้องรับภาระหัวหน้าคณะทั้งหมดแทนซึ่งคุณก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผมนี่โปรเจคย่มเตรีย ม, ยมดุดันกระชนักสิขณะนี้เนะี่ยฉันเปรียบเหมือนตัวคนเดียวแล้วนะ พวกฉันมาด้วยกันห้าคนสองคนเปรียบเหมือนคนทุพพลภาพไปช่วขณะแล้วก็หลับไปแล้วอีกสองคนเป็นตา ย, รา ย, ยาไร้ดียังไงก็ไม่ทราบได้หรือฉันอยู่คนเดียวเท่านั้นระพินฉันว่าเวหรือเกินก็เห็นคุณคนเดียวเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งปรึกษาในขณะนี้ได้แล้วเบนก็น้ําตาไหลพร่าลักษณะบอกชัด ว่าอยู่ในอาการขวัญเสียขนาดหนักถูกละหล่อนอ่อนเยาว์เด็กกว่าทุกคนในคณะจอมพลถอนใจฮือลุกขึ้นจากที่เดินไปนั่งใกล้หลอ่อนโอบ ก, กอดไว้พร้อมกับตบต้นแขนเบาๆเบลผมหวังดีต่อคุณนะไม่ได้เฮี้ยมเกรียมดูดันอะไรหรอก แล้วผมก็เข้าใจความรู้สึกของคุณในขณะนี้ดีด้วยเบียนชี้มือเข้าไปในกระจมพักพูดเสียงเครือทั้งร้องไห้คิดดูนรพินในนั้นน่ะเราเคยนอนรวมกลุ่มกันอยู่ห้าคนจริงอยู่คืนนี้แม้เราจะนอนกันสามคนเขืออาจารย์คิดแล้วก็ฉัน แต่ทั้งสองคนนั้นไม่ต้องพูดถึงก็ก็เปรียบเหมือนคนตายไปแล้วแม้ชั่วขนาดเพราะเจ็บป่วยคงเหลือฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นคนเดียวที่ต้องนอนลืมตาโผล่คิดถึงพวกเราอีกสองคนที่สูญหายไปมันจะทรมานสักขนาดไหนจะหันหน้าไปหาหรือใครก็ไม่ได้ระพิน ฉันขอร้องนะประเดี๋ยวคุณให้พรานของคุณคนใดคนหนึ่งเข้าไปเป็นเพื่อนฉันสักคนได้ไหมในนั้นนะ่ะฉันไม่กล้านอนคนเดียวตกลงครับเบลเดี๋ยวผมจะให้เสยิเข้าไปนอนเฝ้าเป็นเพื่อนคุณอยู่ในกระโจมนั้นด้วยส่วนตัวผมเองก็จะหาที่นอนอยู่ใกล้ๆกระโจมพักของคุณนี่แหละไม่ห่างไปไหนหรอก ขอบคุณนภินขอบคุณอย่างที่สุดกายของเบลสทานสัน่นยกมือทั้งสองขึ้นแตะซับน้ำตาที่แก้มดูดูไปแล้วก็น่าสมเพชไปอีกแบบหนึ่งสำหรับอิสเบลในภาวะเช่นนี้เบลครับคุณเป็นหมอนะถามจริงเถอะอาการของดอกเตอร์สเตลเลียเป็นไงบ้าง ตงดูพรุ่งนี้ขณะที่เขารู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งฉันรู้สึกว่าเขาจะได้รับการกระทบกระเทือนที่สมองมากคิดเองก็จัดว่าหนักแต่ยังข้อยังชั่วกว่านิดหน่อยเพราะมีแต่บาดแผลสดเท่านั้นแต่ก็อาจจะอักเสบและระบมมากเมื่อกี้นี้ก่อนจะหลับเ้ามีอาการไข้ด้วยก็เมื่อทุกคนอยู่ในอาการย่ําแย่ โดยมีคุณปลอดภัยเรียบร้อยที่สุดอยู่คนเดียวในคณะของฝ่ายคุณคุณก็จะต้องทําตัวให้เข้มแข็งที่สุดอย่าอ่อนแอไปนัันขาดผมรับรองได้ว่าผมและพวกผมทุกคนจะซื่อสัตย์สุจริตต่อพวกคุณเสมอกล่าวจบเขาก็ประคองหล่อนให้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับใช้วิทยุของตนเรียกเสิร์ฟอยู่ครู่เดียว เจ้าพรานเด็กหนุ่มก็ผลูเข้ามาเสยในห้างบอบแล้วก็ในห้างคีตเจ็บมากนะคงจะนอนสลบสลายทั้งคืนโดยไม่รู้สึกตือจนกว่าจะรุ่งเช้าอะ่ะเดี๋ยวเสยเข้าไปนอนเป็นเพื่อนแม่มเบนในกระโจมนั่นด้วยแล้วกันคืนนี้แม่มเบนขวัญไม่ค่อยจะดีนักฉันจะคอยดักฟังข่าวบุญคำกับพวกนั้นเองเสรยรับคาอย่างว่าง่ายแลพินหันมาพยักหน้ากับอิสเว และจูงมือหล่อนนำไปส่งยังเต็นพักแรมแหวกม่านกระโจมให้แม่ผมแดงพึพรรมพำขอบคุณอีกครั้งก่อนจะก้าวเข้าไปและเจ้าพรานเด็กหนุ่มก็มุดลอดประตูกระโจมเข้าไปด้วยรพินภพยวันถอยกลับมาเตรียมที่นอนของเขาตรงบริเวณกองไฟใกล้ๆ ก, ก, กระโจมพักของนายจ้างหลังแตะพื้นศีสะหนุนเป้ ไรเฟิลและไฟฉายวางไว้ข้างๆกายเขาเองก็ไม่หลับโดยง่ายเช่นกันนอกจากจะนอนสูบบุหรี่มองอย่างปราศจากจุดหมายขึ้นไปบนท้องฟ้าดำมืดบัดนี้รอบอนาเขตค่ายพักเงียบสงัดได้ยินแต่เสียงฟืนแตกปะทุในกองไฟนานๆนนครั้งและสายลมเย็นเฉียบที่พัดกิ่งไม้ไหวคิดถึงยอดรักดาริน คิดถึงภาพของตนเองที่ตกหน้าคริสและหยาดน้ําตาของหลอนก่อนที่จะบอกลาระหว่างที่เดินหายเข้าไปก่อนทายุหินถลม่มคิดถึงเชิดพุธผู้ซึ่งท่านนายพลบิดาได้ฝากฝังกับเขาไว้คิดถึงพรานคู่ใจซ้ายขวาบุญคำและจันทร์แล้วก็ปรงถึงอาตา ม, มา เกิดเป็นระพินไพรวันเหตุใดจึงอาพับนักเหนื่อยยากลาเค็นเลือดตาแทบกระเด็นมาตลอดชีวิตไม่เคยมีความสุขสมกินเหมือนใครอื่นเขาบ้างเลยนี่จะมีชีวิตลําบากยากแค้นแสนเข็นไปอีกนานสักเท่าใดหนอราพึงตรึกนึกแล้วคนที่เคยเข้มแข็งทรหดที่สุดก็น้าตาตกใน เขาเมื่อชีวิตเบื่อเบื่อหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากจะให้มีพรุ่งนี้อีกแล้ว74นักการเวลาเดียวกันและเย็นเดียวกันนั่นเองระหว่างหินะล่มบนหน้าผาของช่องแคบอันสร้างความโกลาหลหนวิกฤตให้แก่คณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้ว ทางฝ่ายติดตามก็เผชิญปรากฏการณ์ที่ละไมคล้ายคลึงกันขณะนั้นอนุชาและหนานอินกำลังไต่ทางขึ้นด่านช้างบริเวณที่สูงชันขึ้นไปก่อนจะเข้าถึงเขตซับบอนเล็กน้อยโดยทิ้งช่วงดารินผู้ตามมาเบื้องหลังประมาณ20เมตรและถัดไปก็เป็นเชิดาชยันขยิงกับพวกลูกหาบที่พาราังท้ายห่างออกไปอีก ในบัตรเดินโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนเลยเสียงรุชาตะโกนลั่นออกมาว่าเฮ้ยดารินแหงนวูบขึ้นไปสิ่งที่หลอนเห็นพี่ชายกลางเพนเข้าประทา พ, พรานเท่านันอินแล้วกระชากล้มกลิ้งกระจัดกระจายลบเข้าไปบังอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ในหมู่ป่าหินด้านที่ต่ำลงมาเล็กน้อยและกำลังกลิ้งครุกลุลุุกลนสวนทางมาติติดก็คือก้อนหินใหญ่ลักษณะเกือบจะ ก, กลมก้อนหนึ่งเกิอดอาเพศอันใดไม่ทราบได้ ในขณะนั้นมันกระดอนหล่นพุ่งลงมาตามเส้นทางด่านที่ทุกคนกําลังเดินขึ้นไปในขณะ น, นี้พร้อมกับสะเก็ดหินดินร่วนที่มันกระทบกระแทกแตกเป็นฝุ่นพลูตามมาเป็นกลุ่มมันผ่านพ้นร่างของอนุชาขระ น, นอ่อมมาได้แล้วอย่างบุตรวิแล้วก็บดทัดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนรถบดถนนตรงเข้าหาดารินวราฤทธิ์ผู้เงยขึ้นไปเห็นอย่างตะลึงจังงังน้อยระวัง มีเสียงแผ่ร้องตือนสุดเสียงดังขึ้นมาจากด้านต่ำลงไปดูเหมือนจะเป็นเสียงของเชืฐาและชายันที่อุทานออกมาในประโยคเดียวกันเนื่องจากพวกที่ตามมาทางด้านหลังข้างล่างต่ำลงไปก็เห็นภาพนั้นเช่นกันดารินมาได้สติเอาก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงโวยวายจากพวกข้างล่างที่ตามกันมาเป็นพรวนนั่นเองด้วยสัญชาติยานป้องกันตัวและหลีกไัยที่คุ้นเคยดีเยี่ยมมาก่อนแล้ว แม้ว่าจะเรือไปเพราะไม่ได้มีโอกาสใช้งานเลยชั่วระยะเวลาดา่ินกระจหลบเข้าข้น ท, ทางทันทีเราไม่มีอะไรกำบังนอกจากจะยึดเข้าหาหนอหินเล็กๆริมโขกเขวก้อนหนึ่งเพราะคำนวณเห็นแล้วว่าหินก้อนที่กลิ้งตรงเข้ามาหาหล่อนนั้นไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากเกินไปนะักและเนื้อที่ของเส้นทางด่านก็กว้างขวางพอที่จะหลีกได้เสียงดังตู้มตู้มตุต้ม ที่มันกลิ้งกระเด่งกระดอนลงมาพร้อมกับลมวูบใหญ่ติดตามมาด้วยนั้นผ่านหล่อนไปแล้วไม่ถึงกระหุดวดิจวนเจียนเกินไปนักผิดกับที่หล่อนเห็นมันกลิ่งเข้าใส่พี่ชายกลางกระห น, นันอินอย่างกระทันหันฉับพลันพระระยะใกล้เคียงที่สุดอย่างน่าวาดเสียวจนกระทั่งสองคนนั้นต้องเพนกันอย่างฉุกกระหุกรีบด่วนแทบไม่คิดชีวิตเมื่อมันผ่านพ้นหลอนไปได้ ก็สวนทางลงตรงไปยังคณะของเชษฐาชัยยันผู้ทิ้งช่วงห่างลงไปมากดารินมีเวลาพอที่จะเหลียวกลับลงไปมองความเกลียวกราบของไอหินระยำลึกลับก้อนนั้นซึ่งในขณะนี้หล่อนยังไม่สามารถจะทราบได้ว่ามันหลุดจากตำแหน่งที่เคยดั้งเดิมแล้วก็ร่วงล่นสวนทางล่าชันลงมาได้อย่างไรเนื่องจากระยะยังห่างไกลและพอจะมีเวลายางเหลือเฟือสาหรับฝ่ายของเชษฐา ที่และขึ้นไปเห็นวิกฤตการณ์นั้นทั้งคณะรวมทั้งพวกลูกหาหลีคิดกับริมทางซึ่งเห็นว่าควรจะปลอดภัยที่สุดและกำลังของหินก้อนเคืองที่กลิ้งลงมาก็ล่นมาถึงตะพักตอนหนึ่งเป็นการผ่อนแรงลงมากแล้วผลที่สุดอัตราความเร็วของมันที่สวนทางมาก็เริ่มค่อยๆช้าลงเป็นลาดับและแล้วในที่สุดก็ไปหยุดกระแทก และพิงอยู่กับโคนต้นนิ้วใหญ่ริมทางด่านด้านขวามือโดยผ่านคณะเชิถากัะลูกหาไปได้แค่สี่ห้าเมตรน้ำหนักและแรงส่งตัวที่ตริ้งลงมาของมันทำให้งิ้วต้นนั้นหักโคน่นงัดรากขึ้นมาตัวลำต้นล้มคลืนลงไปประทะป่าข้างทางดังสนั่นวานไหวเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาไม่เกินหนึ่งนาทีครึ่ง นับตั้งแต่มันเริ่มต้นหลุดออกจากตำแหน่งที่ตั้งเดิมตลอดจนกลิ้งสวนทางลงมาหมายบทขยี้คณะเดินทางทั้งหมดโดยมีอนุชาและหนานอนินเป็นเป้าหมายอันตรายแรกสุดเพราะเป็นคู่ที่ใกล้กับเหตุการณ์ตอนเกิดขึ้นครั้งแรกมากกว่าคนอื่นด่านล่างโวยวายกันลั่นฟังไม่ได้สับส่วนกลางคือดารินยังยืนกับพริบตาปริก ป, ปริบมุน ง, งู ส่วนด้านบนสุดทั้งอนุชากนันอินกําลังประคองฉุดกันขึ้นมายืนแล้วสอบซักถามผู้จาอะไรกันเองเร็วหรือฟังไม่ได้สักเฮ้ยนั่นมันเกิดกะลียุคอะไรขึ้นมานะเว้ยเสียงชา ย, ยันตะโกนถามโดยผ่านเครื่องส่งวิทยุและมันก็ดังขึ้นทุกเครื่องจากดารินขึ้นไปจนกระทั่งถึงอนุชาผู้เป็นหน่วยหน้าสุด แสงสว่างยังพอมองเห็นอะไรชัดเจนแม้จะเย็นเต็มทีแม้ทั้งสามจุดก็พอจะมองเห็นกันได้ว่าใครอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างเพียงแต่แยกห่างกันเป็นสามจุดเท่านั้นดารินยังยืนงงเฉยพินิษขึ้นไปยังพี่ชายกลางด้านบนสุดกับนานอินกึกขึ้ใจต่อมาก็ได้ยินเสียงเ้าๆของหมอมราชวงศ์อนุชาบอกมาว่า ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆไอหินก้อนนั้นมันก็ไหวตัวขยับแล้วหลุดจากที่พื้นดินที่ตั้งอยู่เดิมกลิ้งมาใส่ระยะที่มันตกลงมานะ่ะบทห่างจากชั้นและหนานอินแค่สิบห้าวาเท่านั้นลูกคล้ายๆอุบัติเหตุพวกเราข้างล่างเป็นไรมั่งหรือเปล่าไม่เป็นไรทุกคนหลบทันว่าแต่เธอกับหนานอินเธอเรียบร้อยดีเด้อ เสียงเชียรถาถามกล้องขึ้นมาครับพี่ยายผมกับหนานอินไม่เป็นไรมากครับถ้าหลอกปอกเปอร์ขวาโนโอกันมั่งคนละนิดคนละหน่อยเท่านั้นเพรากระโจงก็มาชนก้อนหินเน่ะน้อยขึ้นไปสมทบกับกลางแล้วก็ห น, นานอินแต่ทั้งสามคนหยุดรอ ก, ก่อนนะอย่าเพิ่ง เ, เคลื่อนไหวขึ้นไปเดี๋ยวพี่กระชายยันแล้วก็พวกเราทั้งหมดจะตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้ราชสกุลอันเป็นพี่ชายใหญ่สั่งการ ดารินขมวดคิ้วเม้มริมฝีปากแน่นหลอนกำลังพิเคราะห์สาเหตุขณะเดียวกันก็เดินออกมาจากที่หลบไต่ทางขึ้นไปยังพี่ชายกลางและหนานอินผู้กำลังยืนรออยู่ทันทีที่หลอนขึ้นไปถึงในเวลารวดเร็วยังไม่สักถามอะไรทั้งสิ้นไรเฟิลที่สะพายอยู่กัะไล่บัตรนี้ถูกปลดตรมาถือในลักษณะเตรียมพร้อมแลมองสูงขึ้นไปด้านบน อันเป็นยอดเนินของทางด่านบริเวณนั้นเพื่อค้นหาตําแหน่งที่มาของหินลึกลับอันสอเจตนาว่าต้องการจะหล่นสวนทางกิ่งลงไปบททับทุกคนที่อาศัยเส้นทางนี้ขึ้นมาอนุชาเองก็ยืนจุบปากเบาๆเอานิ้วเกาแก้มกรากรกอย่างยังทายอะไรไม่ออกเช่นกันส่วนนั้นอินกําลังเอาผ้าเขามาที่เขียนเอวอยู่เป่าไอรอนจากปาก ขยี้ตรงหน้าผากเหนือคิ้วที่โนช้ำเขียวเป็นลูกเท่ามะนาวแต่ไม่แตกแบบคนหนังดีระหว่างที่ทั้งสามคนกำลังรอเชษฐาชัยันและขยินซึ่งไต่ทางขึ้นมาสมทบอย่างรวดเร็วโดยยังไม่ขยับขยื่นขึ้นไปตามคำสั่งของพี่ชายใหญ่นั้นบรรยากาศรอบด้านมันเต็มไปได้วยความเงียบเงียบจริงๆ ไม่มีแม้แต่เสียงจักรจันเรไรหรือสัมสําเนียงอันควรจะเป็นเสียงปกติสามัญทั่วไปของราวพไพรแม้แต่ใบไม้รอบด้านก็ไม่กระดิกมุมด้านบนนั้นเป็นยอดเนินตำแหน่งนั้นเป็นมุมอับไม่สามารถมองขึ้นไปเห็นอะไรต่ออะไรได้ถนัดนักเพราะต่างยังยืนอยู่บนหนทางลาบก่อนจะถึงยอดของเนินซึ่งพอจะสังเกตได้ว่ามันเป็นป่าหินที่ขยายใหญ่ออกไปจากด่านช้างธรรมดา ครู่เดียวทั้งสามคนก็วิ่งขึ้นมาถึงโดยยังทิ้งให้พวกลูกหาแบกของตามหลังมาเบื้องมาเบื้องหลังอะไรกันนี่หินก้อนนั้นมันกลิ้งสวนทางมาหาพวกเราได้ไงเชษฐาถามหอบหอบเงยหน้าขึ้นมองกราดอย่างพินิษเดิมมันก็ตั้งมินมินอยู่ตรงแงนปากทางขึ้นนะครับพี่ใหญ่อนุชาหรือพรานชดในอดีตชี้มือบอกพี่ชายด้วยเสียงแผ่วต่า ตัวเขาเองก็กําลังใช้ความคิดหนักระยะมันห่างจากที่ทุกคนยืนอยู่ขณะ น, นี้ขึ้นไปแค่สิบห้าสิบหกวาเท่านั้นผมกระหนานอินไม่ได้มองอะไรมากก้มหน้าก้มตาไปทางขึ้นไปเพราะมันชันมากอย่างที่เห็นเงี้อยู่เนี่ยพอดีได้ยินเสียงมันลั่นครึกครั้งแรกก็ยังไม่สนใจอะไรนะักพออีกครึกเดียวเท่านั้นมันก็กลิ้งสวนทางลงมาเลยเราก็ถูกอะไรงัดอย่างนั้นแหละ เอ๊ ه, มันก็แปลผิดโงนแนะพรานครูผู้เฒ่าบนมาอีกคนนึ่งนี่ถ้าพรานชดกระชากนานอินควา้าช้ากว่านั้นอีกนิดเดียวนานอินคงถูกบทแหลกไปแล้วสงสัยว่าเจ้าป่าเจ้าเขาแถวนี้จะลองดีเราหรือยังไงวะนานอินเดินผ่านเส้นทางนี้มาตั้งหนุ่มจนแก่ยังไม่เคยเจอดีแบบนี้สักทีเดี่ยวเหะ เดี๋ยวได้เห็นดีกันประโยคหลังแกพูดพร้อมกับหัวเราะในลำคอไปขึ้นไปดูชัดสิว่าหิงเวรก้อนนั้นมาล่นสวนทางพวกเรามาได้ยังไงพี่ชายใหญ่ของคณะพูดขลุมขึุมแล้วทั้งหกคนอันประกอบด้วยอนุชาหนานอินดารินเชษฐาชัยยันและขยินก็ไต่ทางอย่างระมัดระวัง ตรงไปยังตำแหน่งที่อนุชาชี้บอกทันทีโดยมีพรานเท่านานอินนำขึ้นไปเป็นคนแรก <c oughs> เมื่อขึ้นมาถึงที่หมายอันเป็นบริเวณที่โลง่งอุดมไปด้วยป่าหินรอบด้านบนยอดเนินต่างก็ตรงเข้าไปตรวจรอยอันเคยเป็นตำแหน่งที่ตั้งของหินก้อนนั้นลักษณะของมันที่เพิ่งจะขยับหลุดออกไปมองเห็นจากพื้นอันเป็นดินลูกรังแห้งผากว่าแต่ดั้งเดิมนั้น มันวางติดอยู่กับพื้นเพียงตื้นๆเท่านั้นไม่ได้มีรากหรือส่วนที่จะฝังจมลงไปในดินมากนะักตรงนั้นปรากฏเป็นหลุมตื้นๆลึกเพียงไม่ถึงเจ็ดนิ้วฟุตประกอบกับตำแหน่งที่ตั้งอยู่ยังมินเมเหนือช่องทางสูงชันจึงเป็นไปได้เหมือนกันที่มันจะมีโอกาสพลัดหลุดจากที่เดิมของมันแต่แน่ละไอยูยูมันจะหลุดลงมาเฉยๆนันไม่ได้ นอกจากจะมีพลังอะไรมาผลักดันและเป็นพลังที่มากพอสมควรเพราะอย่างน้อยหินก้อนนั้นคันเนน้ำหนักก็เห็นจะไม่น้อยไปกว่าสองตันครึ่งระหว่างที่เชษฐาชยยันตรวจดูหลุมมันเป็นที่ตั้งของมันและพิจารณาไปรอบๆใกล้เคียงบริเวณซึ่งก็ยังไม่อาจพบร่องรอยอะไรทั้งสิน้นเนื่องจากพื้นแห้งแข็งมาก นันอินกับอนุชาเดินสำรวจห่างออกไปอีกเล็กน้อยตามโขดหินที่งอกอยู่เกะกะทั่วไปดารินนั้นยืนนิ่งไรเฟิลในมือถือชูในลักษณะ45องศาขึ้นด้านบนหล่อนกว่าตาคมกริบซอกแซกไปรอบด้านเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอยระวังคุมเชิงให้แก่พี่ชายกลางเสียงเชิดถากะชัยยันผู้ยังนั่งคุกเข่าเอาหัวชนกันอยู่ ซุปซิบหาเรืออะไรกันอยู่พื้พรมแกคิดยังไงเชิดถาอดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้เพิ่งจะจากเมียและลูกอ่อนมากระซิบถามฉันว่ามีพลังงานอะไรสักอย่างหนึง่งมาผลักดันก้อนหินนี่อย่างแน่นอนแล้วก็มีเจตนาร้ายกับพวกเราทุกคนด้วยไอ้ลํำพังหินตั้งอยู่เฉยๆและน้ำหนักถึงขนาดนั้น ต่อให้วางอย่างมินสักขนาดไหนมันก็ไม่มีวันจะกลิ้งร่วงลงไปเองอย่างแน่นอนเชยดทากระซิบตอบพลังงานอะไรกลางอินก็บอกกับเราเมื่อกี้นี้ว่าก็าไม่เห็นอะไรสักอย่างเห็นแต่หินมันตกใส่อย่างเดียวกลางขนานอินอาจจะมองอะไรไม่เห็นขณะที่ก้อนหินนั้นพลัดตกใส่ เพราะทั้งสองคนระหว่างนั้นอยู่ในระดับต่ำลงไปในมุมเทลารก่อนหินเนี่ยอยู่ในระดับสูงเหนือหัวทัศนวิสัยด้านบนก็ลับตาอดีตท่านทูตทหารกล่าวอย่างระมัดระวังตรีตรองขณะนั้นเองขยินผู้พ่อขึ้นมาถึงก็พังภาพลงนอนกับพื้นเอาหูแนบดินฟังอะไรอยู่ด้วยความสามารถพิเศษของมันชนิดที่ไม่มีใครเหมือนก็ลุกขึ้นทันที ย่องเข้ามาหาเชาืช้ถากะชายันอย่างรวดเร็วนายนเจ้านักเงลงโตหลุมช้างกระซิบเรียวปรื้อละล่ําละละักนายถ้าหูขยินไม่หรอกขยินได้ยินเสียงมันเดินอยู่ในป่าหินใกล้ๆตัวเราแค่นี้เองเดินย่องอย่างเบาที่สุดถ้าไม่เอาหูฟังกระดิ่งก็ไม่ได้ยินเองได้ยินเสียงเดินหรืออะไรละ่ะที่เดินหรือย่องอะ่ะ ชายันซึ่งบัตรนี้จากการกรมป่าร่วมกับขยินมาเป็นเวลานานพอจะพูดและเข้าใจภาษากระเรียงได้สมควรแล้วถามขึ้นในขณะที่เชษฐาก็หันขวับไปจ้องเจ้ากระเรียงยักษ์ที่ร่วมผจญภัยกันมาในอดีตขยินหน้าตาเลิกหลักอาปากบอกแต่ไม่มีเสียงผ่านลำคอเพียงแต่อาศัยสังเกตปากการขยับปากของมันเท่านั้น เพียงแต่ขยินขยับปากเท่านั้นทุกคนก็สะดุ้งสุด ต, ตัวพร้อมกันหมดด้วยเสียงที่ทําลายความเงียบดังสนั่นขึ้นเสียงมันแปรนิ่ยาวขึ้นก่อนเรากับใครเอาซ้ำเป็ดสักสิบตัวมาเป่าขึ้นพร้อมกันไปตามมาด้วยเสียงหินในปาหินซีกซ้ายมือเคลื่อนไหวสะเทือนเพราะถูกชนกระแทก เสียสีเท้าที่ยำทีหนักเคลื่อนไหวรวนเรไปทางโน้นทีทางนี้ทีชุละมุนสั่์สนไปหมดพร้อมกันก็มีเสียงช้างไผยร้องอย่างเกลี้ยกราดระคนเจ็บปวดเสียงโอ๊สลับไปกับเสียงเปิ้ลผงคลีลอยคลุ้งตลบขึ้นมาจากป่าหินซีกซ้ายมือห่างออกไปไม่เกิน20เมตรเท่านั้นท่ามกลางม่านของหนอหินที่ขึ้นเป็นฉากบังอยู่ สลับซับซ้อนไม่จำเป็นจะต้องบอกหรือสั่งการใดๆกันเลยทั้งหกคนวิ่งพลูกระโดดข้ามหินที่วางอยู่เกะกะเหล่านั้นตองเข้าไปยังตำแหน่งที่มาของเสียงซึ่งดังในลักษณะแปลกประหลาดยากที่จะทายเหตุการณ์นั้นถูกเชีา่าชายันดารินและขยินพรวดเข้าไปทางซอกหนึ่ง อนุชาและนา้นอินก็กระจอริวเข้าไปอีกด้านหนึ่งจะ ก, ก่อนหรือหลังกันก็ชั่วเสี้ยววินาทีเท่านั้นแล้วภาพที่เห็นอย่างชุลมุนชุลเกนั้นก็สะกดให้ทั้งหมดตงลึงไปชั่ววิบตาบริเวณ น, นั้นเป็นพื้นที่ราบโล่งปราสจาขิ้นใหญ่งอกขึ้นมาเลยเหมือนจะเป็นเวิ้งลานเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณร้อยตารางวา ช้างใหญ่สามตัวกำลังอยู่ในภาวะต่อสู้กันอยู่อย่างตะลุมบอลส่วนเซปัดเตะและหมุนบนไปรอบๆที่สังเกตเห็นได้ชัดที่สุดเพราะขาที่ขยเยตก้าวขยับไม่ถนัดนั่นคือไอ้ด้วนของดารินแน่ๆขนะนี้มันกำลังใช้งวงมัดงาของพลายชะกันตัวหนึ่งไว้ทั้งสองข้างโดยบีรัดเข้าหากันจนเจ้าน้นร้องอยางเจ็บปวดตัวกอง ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นสีดอกำลังใช้หัวใหญ่โตของมันพุ่งเข้ากระแทกตะลุยไล่ตามสีข้างและลำตัวของเจ้าด้วนเป็นภาลาวันเป็นการช่วยเพื่อนของมันที่ถูกเจ้าด้วนบีบรัดงาไว้สองรุมหนึ่งห้าม่างการสับประยุกต์กันอย่างชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้นเจ้าด้วนไม่ยอมคลายงวงรัดงาของคู่ต่อสู้ด้านหน้าออก โดยยอมให้อีกตัวหนึ่งกระแทกชนร่างของตนเองปัดเป๋ไปกระแทกกับผนังหินก้อนใหญ่มันกำลังอยู่ในภาวะเสียเปรียบอย่างเต็มที่และเป็นการต่อสู้อย่างชนิดยอมตายทุกคนร่วดเข้าไปะวัดพื้นขึ้นไหลหมดยกเว้นดารินคนเดียวที่เป็นเรามีเสียงเท่าไหร่ก็ตะโกนออกไปจนหมดอย่ายิงอย่ายิงเจ้าด้วนระวังจะถูกมันเข้า เสียงสุดท้ายของหล่อนถูกตบ ด, ด้วยกำปันนาของจุด4 5 8จากมือของอนุชาซึ่งระเบิดคลื่นขึ้นเป็นคนแรกเจ้าคตจะสารสีดอที่กำลังเอาหัวดันกระแทกสีข้างเจ้าด้วนอยู่ยังดูเดือดถล่มทั้งสี่ขาลงทันทีเพราะกระสุนของพลางชดเจาะเข้ากระมับทะลุออกอีกด้านผ่านที่ตั้งของมันสมองชิ้นส่วนของกระดูกบางชิ้น ไปอยกระเด็นตามทางออกของกระสุนด้วยจากเสียงปืนที่สนั่นลั่นโลกนั่นเองเจ้าด้วนปล่อยงวงที่มัดพันคาของคู่ต่อสู้ออกเพราะมันก็ตกใจแล้วอยู่ในภาวะอ่อนเปลียเต็มทีจากการถูกลุมเจ้าพลายงานแหลมแวงตัวสะบัดกลับฟุดเข้าใส่ทางด้านเชฐถาชัยยันนารินและขยินทันทีเพียงมันปักหัวดี ข้าออกมาได้เป็นก้าวแรกเท่านั้นหานอินก็ตอกตูมเข้าด้วยจุดส7 5เจห้าประจำมือแล้วรวมเข้าไปในช่องรูหูในระยะห่างเพียงห้าหวากแล้วคราวนี้ก็ติดตามมาด้วยจุดสี่ห้าปดในมือของเชษฐาและลูกซองชนิดลูกโดดของขยินมิดาริงเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่ไม่ได้ลั่นกระสุนเพราะมัวตะลึงต่อภาพอยู่ช้างนาตัวนั้นขาดใจตายก่อนที่ร่างมันจะทันล้มถึงพื้นซะด้วยซ้ำเพราะการยิงอย่างเผาขนจากปืนขนาดหนกักหลายกระบอกเป้าหมายล้วนศีรษะทั้งสิ้นและความจริงนั้นมันก็ถึงการอาวาสานลงด้วยจุดส7 5หนัดแรกของหนานอินแล้วแม้จะไม่ถูกกระหน่ำซ้าก็ตา เสียงไรเฟิลที่ระดมแผดหูดังกึกก้องสะเทือนไปทั้งตาหินนอกจากจะยังผลให้ช้างร้ายซึ่งยังไม่ทราบที่มาสองตัวอยู่ในภาวะรุมเล่นงานเจ้าด้วนเพียงตัวเดียวล้มคลืนโดยไม่กระดิกกระเดียก็ยังกอ่อให้เกิดผลตามาอีกชนิดหนึง่งซึ่งทุกคนไม่คาดหมายมาก่อนเสียงป่าหินรอบด้านลัน่นคึกเสียงช้างจานวนไม่จํากว่าสิตัว อันยังมองไม่เห็นตัวแลนอาปาราสะเลิดเปิดเปิงกระจัดกระจายออกไปทันทีสแสดงว่ายังมีพวกมันอีกจำนวนมากที่ซุ่มกําบังหินอยู่ก่อนแล้วอนุชากนานอินขยับจะแล่นตามไล่ ย, ยิงแต่เชฐฐาตะโกนร้องสั่งห้ามไว้ไม่ต้องตามยึดอยู่แค่นั้นทั้งสองจึงชะงักอยู่กับที่ ท่ามกลางฝุ่นฝุ่นผงคลีที่ยังมัวตลบจากสถานที่เห็นเป็นยุทธภูมิต่อสู้ระหว่างสองตอนหนึ่งและบริเวณรอบด้านไกลออกไปซึ่งเกิดจากการแตกหนีของพวกที่ยังซุ่มคุมเชิงเงียบเงียบอยู่ในครั้งแรกทุกคนเห็นเจ้าด้วนตะแคงลู่ไปติดอยู่กับหิงใหญ่ขาหลังข้างที่เจ็บยังงอขยกชู ง, งวงสูงแล้วก็ร้องแอแออยู่เช่นนั้นเจ้าด่วน นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมแกถึงมาถูกไอ้ช้างพวกนั้นมันรุมทำร้ายอยู่ตรงนี้ล่ะดารินร้องเสียงสัน่นขยับจะปรีเข้าไปหาแต่เชิดาคว้าแขนน้องสาวไว้ยึดมัน่นไม่ยอมไม่เข้าไปใกล้ยัยงยังไม่ยอมไว้วางใจอะไรทั้งสิน้นช้ยันกัขยินก็ยังประทับปืนเตรียมพร้อมจ้องไปทางเจ้าด้วนซึ่งถ้าหากมันแสดงกิริยาเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะต้องถูกคว่ำลง เหมือนเจ้าสองตัวนั่นอย่างแน่นอนดารินยังตะโกนร้องเรียกช้างพิการตัวที่หล่อนช่วยเหลือไว้เมื่อเชา้านี้เสียงดังลั่นอยู่เช่นนั้นขยับจะเข้าไปหาให้ได้แต่พี่ชายล็อกตัวไว้อย่างเหนิยวแน่นที่สุดอย่าเข้าไปน้อยอย่าเพาิ่งไปวางใจอะไรทั้งนั้นมันกําลังเก็บและกําลังบ้าเลือจากการต่อสู้รวมทั้งตกใจเสียงปืนด้วยทุกคนบัดนี้ยืนนิ่งกันไปหมดชั่วขณะ จ้องขม่งไปยังเจ้าด้วนซึ่งยืนพิงก้อนหินอย่างอ่อนเปลี่ยสะบักสะบอมตังเพิ่งจะมาสังเกตเห็นอีกครั้งว่าที่บริเวณสะบักด้านขวาของมันถูกงาของคู่ต่อสู้แทงเป็นแผลเข้าไปจะลึกสักเท่าไหร่ยังไม่ทราบได้แต่เห็นเลือดไหลรินเป็นทางไปตามขาโถด้วนหม่อมราชวงศ์สาวครางออกมาด้วยเสียงสะท้านสายหน้าอยู่ไปมา น้ำตาของหล่อนคลอด้วยความสงสารแล้วตะเบงเสียงลั่นบนร้องไห้ว่าบ้าทุกคนบ้าที่สุดนี่ไม่มีใครเข้าใจอะไรบ้างเลยเหรอเดี๋ยวนี้ฉันรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนี่นี่นี่ล็อกมือลงสักทีชยันขยินนี่ทําไม่ได้เจ้าด้วนนะป่านนี้พวกเราตั้งหกคนถูกล้อมกรอบกระทืกแบงก์ก็แต่ไปหมดแล้วจากไอ้ชา้างไร้โคลงนั้นน่ะทั้งหมดคอแข็งเงียบกริบ ใช้ ย, ยันกับขยินค่อยๆลดปืนลงเสียงดารินโวยวายต่อไปว่าดูทีขาเจ็บอย่างเดียวยังไม่พอยังถูกแทงอย่างให้พวกนั้นอีกนี่เพราะมันเจตนาจะช่วยชีวิตพวกเราไว้แท้ๆเจ้าเป็นการสนองคุณสแสดงกระตันูกระตาเวทีสูงสุดการกระทําของมันครั้งนี้เป็นการเสียสละชีวิตเพื่อช่วยพวกเราไว้นี่ขนาดไม่สมประกอบก็ยังกล้าสู้สองต่อหนึ่งด้วย พี่ใหญ่ปล่อยน้อยสิน้อยจะเข้าไปหามันกลอนสะบัดแขนเต็มแรงแต่พี่ชายไม่ยอมปล่อยซ้ำชัยยันยังช่วยยึดไว้อีกด้วยพูดปลอบโยนมาเอาละน้อยพวกเราก็คิดว่าพอจะรู้แล้วล่ะว่าเจ้าด้วนของเธอนะประกอบวีรกรรมอะไรไว้บ้างแต่เดี๋ยวเราดูท่าทีมันก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปเลยแผลที่ถูกงาต่อสู้แทงดูจะไม่ชะกันนักหรอก แล้วก็โดยธรรมชาติของมันมันจะทุเลาหายเองไม่เจ็บปวดทรมานเท่ากตอนที่มันถูกขนแม่นตามเท้าแล้วก็เธอถอนให้ออกไม่เห็นฝ่ายมนุษย์ยังยืนมองดูเฉยไม่แสดงอะไรกระตกกระตากเช่นนั้นเจ้าด้วนจอมเกะกะแห่งป่าหนองน้ำแห้งแต่ก็ไม่เคยทำร้ายใครถึงชีวิตมาก่อนก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากก้อนหินที่มันเซไปพิงติดตัว พอตั้งตัวได้ถนัด ก, ก็ออกเดินเลี่ยงช้าๆปรีกกายออกไปทางซอกของป่าหินอีกด้านหนึ่งเป็นคนละด้านกับที่ช้างป่าขลุงลึกลับนั่นเพนตนเลิดไปเมื่อครู่นี้มันมีอาการรี ร, รีรอรอหมุนตัวเอี้ยวมาดูทางดารินนิดนึงเมื่อหล่อนตะโกนเรียกด้วยเสียงอันดังหยุดก่อนด้วนอย่าเพิ่งไป มันเพียงแต่ชำเลืองตาเล็กตีมาที่หญิงสาวเท่านั้นแล้วก็เดินขเเยกขาหลังลับหายไปย่าแช่มช้าดารินกัดริมฝีปากแน่นเอาหลังมือป้ายเช็ดน้ำตาแล้วไม่พูดอะไรอีกเลยอนุชาและหนานอินซึ่งยืนคุมเชิงอยู่อีกด้านหนึ่งก็เข้ามารวมกลุ่มด้วยทุกคนเข้าใจความรู้สึกของราชสกุลสาวได้ดีที่สุด นายหญิงอย่าห่วงเลยไอ้ด้วนนะ่ะไม่เป็นอะไรหรอกนานอินช่วยปลอบโยนมาอีกคนช้างป่านะ่ะถ้ามันสู้กันแล้วถูกแทงนาแทงเพียงแค่แผลเดียวตื้นตนอย่างที่เห็นน่ะไม่ช้ามันก็หายเองสำคัญว่าอย่าให้มันไปถูกรุมแทงเขาอีกเท่านั้นช้างมันฆ่ากันเองได้เหมือนกันถ้าถูกรุมแต่ไอ้ด้วนะมันก็ยิ่งใหญ่อยู่ในป่าแถบนี้ ไม่งั้นก็ไม่เดินเดี่ยวหรอกแล้วมันก็เป็นช้างฉลาดมากแสนรู้ด้วยช้างปลาทั่วๆไปสู้มันไม่ได้หรอกนายหญิงราชสกุลสาวมองหน้าทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะ น, นี้แล้วมาหยุดอยู่ที่ชา ย, ยันถามเสียงกราวๆว่าอะละชา ย, ยันนายเธอบอกว่าเธอรู้อะไรล้วเราบอกมาสิว่าเธอรู้อะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์หยกๆนี่ หรือทุกคนที่ยืนอยู่นี่แหละใครคิดว่าตัวเองรู้เข้าใจก็จงบอกมาสิหล่อนชี้หน้ า, ากราดเดือดแค้นเจ็บใจที่ถูกสกัดแม่เข้าไปถึงตัวเจ้าด้วนซ้ายังเห็นชัยยันกับขยินประทับปืนเตรียมจะยิงเจ้าด้วนของหล่อนซะอีกด้วยชัยยันอึ้งยิ้มจิตจืดแล้วบอก ร, มรวมๆว่าฉันมาพวกเราทุกคนกลับไปที่ปากทางด่านนั่นก่อนดีกว่ามั ป่านี้พวกลูกหาบที่ตามมาข้างล่างคงจะตกอกตกใจโอนละหมานกันไปหมดแล้วเพราะเสียงปืนเสียงช้างซ้ําพวกเราก็ยังหายกันเข้ามารวมกลุ่มอยู่ริมทางนี่ทั้งหมดให้พวกนั้นรู้เรื่องซะ ก, ก่อนว่าไม่ได้เกิดอันตรายใดๆขึ้นกับพวกเราทุกคนเห็นด้วยและเดินตัดออกจากบริเวณป่าหินมุ่งกลับมายังปากทางด่านทันทีดารินยังยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นชายยันจึงเข้าประคองปลอบใจ ไปน้อยอย่ามายืนเฝ้าไอ้สากช้างเวนอยู่ตรงนี้เลยให้ไปถึงที่นั่นซะก่อนแล้วฉันจะทีิบายเธอฟังตามที่ฉันเข้าใจซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับความรู้สึกของเธอหรือเปล่านะดารินสะบัดแขนเพื่อนชายออกอย่างเคืองๆแล้วเดินจำมาโดยเร็วเมื่อทุกคนถึงปากทางชันแลลงไปข้างล่างเห็นพวกลูกหาบวางของที่แบกหามกันหมดสิ้น และกระจายกันเข้าแอบอยู่ริมทางสองฝั่งถือปืนเตรียมระวังพร้อมนันอินจึงตะโกนบอกความลงไปพอพวกนั้นคลายความตื่นตกใจว่าช้างโวยสัดเคเก้ไปสองตัวที่เหลือเปิดไปหมดแล้วพวกเอ็ขึ้นมาเร็วๆ เ, เขา้าเมื่อ น, นั้นเองบรรดาลูกหาบทั้งสิบคนห้าคู่ก็ค่อยๆทยอยกันเข้ามารวมกลุ่ม แล้วแบกหามของค่อยๆไต่ทางขึ้นมาเชายันเดินมาหยุดยืนอยู่ตรงตำแหน่งก้อนหินที่ถูกงัดหลุดกลิ้งสวนทางลงไปและพยักหน้าเรียกดารินผู้ยังขุนเคืองใจอยู่เข้ามานี่น้อยฉันเข้าใจอย่างนี้นะคือระหว่างพี่กลางและนานอินไต่ทางขึ้นมานี่มีไอ้ช้างเวนตัวหนึง่ง จากจํานวนโขลงส่วนมากของมันที่แอบซุ่มอยู่ในป่าหินริมทางซึ่งแตกกระจายหนีไปเมื่อหยกหยกเนี่ยมันมาคอยดักอยู่ตรงนี้เขาชี้มือไปที่ด้านหลังของก้อนหินที่ถูกงัดให้หลุดเคยื่อนจากที่ไอ้ที่มัาคอยแอบรอจังหวะอยูอ่ก็เพราะเห็นแล้วว่ากลางกระนันอินกําลังไต่ทางขับขันขึ้นมาพอมันกะได้จังหวะเหมาะก็เลยงัดหินก้อนนั้น ให้หลุดร่วงลงไปทันทีเพื่อหมายที่จะให้หินก้อนนั้นหล่นลงไปทับทั้งสองคนแล้วก็จะต้องกลิ้งสวนลงไปใส่พวกเราที่เดินตามขึ้นมาด้วยเป็นเจตานาร้ายที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลใกล้เคียงกับวิธีการของไอ้แหวงที่พวกเราเคยเผชิญมาแล้วในครั้งก่อนไม่มีผิดและเจ้าตัวการที่ลงมือเล่นงานเราเป็นปฐมฤกษ์นั่นก็อาจเป็นช่างงาที่เราเห็นเจ้าด้วนของเธอจับรับงาไว้ ซึ่งถูกปืนคว่ำอยู่ตรงเมื่อตะกี้นี้กระด่ะดารินพยักหน้าแล้วถามเสียงต่ำๆต่อมาอืมแล้วไงต่อชา ย, ยันจับคางมองหน้าเหมือนจะขอความเห็นไปยังพักพวกทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้อีทีนี้เจ้าด้วนซึ่งเปรียบเสมือนลูกชายของเธอบะดารินแหวชา ย, ยันบบกมือ เอาละอละละนิฉันก็เพียงแต่สมมุติเท่านั้นเพราะเห็นเธอหนาทั้งรักทั้งเอ็นดูมันมือก็ลูกชายไม่มีผิดข้อสนิษฐานต่อไปของฉันก็คือระหว่างที่ช้างตัวนี้รวมทั้งโขลงของมันมุ่งจะกระทําทการร้ายต่อพวกเราโดยที่เราเองก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมาจากเหตุผลกลนใดเจ้าด้วนก็ต้องรู้เห็นพฤติการของช้างพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันเดินนําหน้าพวกเรามาก่อนแล้ว ในขณะนั้นน่ะอาจจะแอบเฝ้าดูอยู่เงียบๆแล้วก็เห็นว่ามันตัวเดียวไม่อาจที่จะช่วยเหลือแก้ไขหรือมีปัญญาเตือนใ้พวกเราที่กําลังเดินไปทางขึ้นมาได้รู้ตัวยังไงมันจึงแอบซุ่มเฉยอยู่แล้วพอเจ้าช้างจันไรนะ่ะมันงัดหินใส่เราคข้าก็หลบไปอยู่ในป่าหินคุมเชิงอยู่พวกเราหกคนขึ้นมาตรวจรอยและปรึกษาหารือกันอยู่ตรงนี้ก็เวลานั้นแหละ ไอช่างไร้ที่แอบซุ่มอยู่ก่อนแล้วก็คงจะปรีออกมาหมายจะตะลุมบอนกับพวกเราพอตอนนี้แล้วมั้งที่เจ้าอ้วนไอเจ้าด้วนตัดสินใจเข้าปะทะรับหน้าไว้ทันทีก็เลยเกิดการต่อสู้ชลุล ม, มุนขึ้นในป่าใยะป่าหินเท่ากับเป็นการเตือนให้เรารู้รวมทั้งแสดงความกัปปัญญูต่ตอเธอโดยยอมเสี่ยงชีวิตตัวมันเองเข้าสู้รับหน้ากับพวกนั้นไว้ซึ่งก็มีหวังตายแน่ถ้าปล่อยให้เหตุการณ์ดําเนินต่อไป อีทนี้เสียงของการต่อสู้ก็ปลุกเตือนมาถึงเราพวกเราก็แล่นกันเข้าไปถึงบริเวณที่มันถูกรุมอยู่อย่างทันการยิงไอ้สองตัวที่รุมพลาวันอยู่นั่นคว่ําลงเจ้าช้างโขลงแขวยเดียวกันซึ่งซุ่มล้อมอยู่ในป่าหินรอบด้านไปหมดตกใจเสียงปืนแล้วก็รู้ว่าพลาดท่าซะละก็เลยพากันเปิดหนีป่าแตกโขลงซึ่งก็แปลว่าเจ้าด้วนนั่นแหละที่ช่วยเตือนให้เราได้รู้ตัวซะก่อน ที่จะถูกช้างโขลงซึ่งซุ่มเตรียมพร้อมอยู่แล้วบุกตะลุยเข้าโจมตีอ่ะฉันตายเหตุการณ์อย่างเงี้ยพอจะใกล้เคียงบ้างไหมราชาสกุลสาวหัวเราะแค่นแค่แต่ยังไม่หายข้องใจถามกราบไปยังทุกคนอ่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะมีความเห็นหรือตายเหตุการณ์ว่ายังไงเชื่ฐานนี่อนุชา ย, ยักไล่นิดนึงไม่พูดอะไรเช่นกัน นายอินจึงบอกอ่อยๆมาว่ามันก็คงจะเป็นอย่างที่นายทหารชัยยันว่านั่นแหละนายหญิงเจ้าด้วนมันก็มีอะไรประหลาดวะลาดอยู่ในตัวของมันรู้อะไรที่เราคิดไปไม่ถึงหลายๆอย่างเรื่อจะว่าอีกทีมันก็เป็นช้างของนายรพินแกนถึงแกจะไม่ได้เลี้ยงมันก็ตามแต่การที่แกสั่งไมใ่ใครทำอันตรายมันมาตลอด มันก็เปรียบเหมือนับสมบัติของแกเหมือนกันคำพูดของพรานครูผู้เท่าทำให้ดารินมีเท้าหน้าแช่มชื่นสดใสขึ้นมาได้ พ, พืมพรมาวะใช่มันเป็นช้างของระพินมันอาจรู้ด้วยว่าขณะนี้เรากําลังจะบ่ายหน้าไปไหนและมีกระแสจิตที่ยังซึ้งเข้าถึงจิตใจของฉันได้อย่างประหลาดเหมือนกันเนรหลอนก็หันมาทางชา ย, ยัน เธอก็ไม่งจงจนเกินไปนักหรอกนะเชยันที่ไทยเหตุการณ์ได้ถูกต้องที่สุดฉันก็เชื่อยอย่างที่เธอพูดนัน่นแหละแต่รู้เหตุการณ์ได้ทันทีที่โผล่เขไปเห็นมันกําลังสู้อยู่ไอ้สองตัวนั่นเพราะฉะนั้นถึงได้ห้ามเสียงหลงไงว่าไม่ใครยิงมันแต่เธอก็แค่ยินก็จ้องปงืนจะฆ่ามันอยู่ล่ะกล่าวจบหล่อนก็หันไปตบหลังก็ยินดงังพัวจะนักเลงโต่หลงช้างแยกเขี้ยวคลางอู้ทําหลังแแอไป น้อยไม่มีใครยิงเจ้าด้วนของเธอหรอกเพียงแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาททำให้พวกเราต้องระวังคุมเชิงไว้ก่อนเท่านั้นผู้สันดานสัตป่าจะไปไว้ใจได้ยังไงมันกำลังเจ็บแล้วก็ตกใจเสียงปืนอยู่ด้วยเห็นพวกเราพลูเข้าไปมันก็อาจจะพุ่งเข้าใส่เราเพราะความตื่นเต้นตกใจก็ได้หนานอินกลางแลวพี่เองก็รู้ทีอยู่แล้วพวกเรายิงไอ้ช้างสองตัวที่รุมเจ้าด้วนนั่น และกระสุนปืนก็ไม่ได้พลัดหลงไปถูกเจ้าด้วนของเธอและสักนีดน่พี่ชายใหญ่พูดเสียงตันๆก็ยังเสียดายอยู่นิดนะที่มันไม่หยุดรอรับคำขอบใจของพวกเราซักก่อนที่จะเดินทงทงหนีไปเท่านั้นหม่อมราชวงศ์อนุชาพูดเหมือนประชดน้องสาวแล้วหัวร้อหึหึแต่แล้วก็หยุดเงียบเฉยไปซะเมื่อดารินจ้องตาขุนเขียวเขาใส่ ทุกคนน่ะเซ้นหยากจิตใจกระด้างกันทั้งนั้นน่ะไม่เห็นเหรอว่าตอนที่ไอ้สองตัวนั้นถูกยิงลง้มลงไปแล้วเจ้าด้วนเซไปพิงก้อนหินอยู่พักใหญ่ชูรวงชูงวงร้องแง่ง่เหมือนจะขอความปรานีแล้วก็บอกความอะไรกับเราก่อนที่มันจะเดินขยุกขยเ ก, ยกพลักจากไปอย่างสะบักสะบอมนี่ยังไม่รู้เลยว่ามันจะไปถูกไอ้พวกนั้นดักรุมเล่นงานเขาที่ไหนอีกฉันเป็นห่วงมัน ขอย้มอีกครั้งนะนี่ถ้าไม่มีเจ้าด้วนเข้ามาแทรกสละตัวเองเข้ามาประทะกับพวกนั้นไว้ก่อนพวกเราป่านนี้อยู่กันไม่ครบหกคนหรอกพอมีใครเล็กอะไรบั่งแล้วละ่ะไอพวกนั้น่จ้องจะเล่นงานเราซ้ำสองอยู่ระหว่างที่มามุงกันอยู่ที่รอยหินตรงนี้นี่แสดงว่าเจ้าด้วนเดินนําหน้าเคลียร์ทางเป็นหูเป็นตามให้เราอยู่ทุกระยะทีเดียวอืมใช่ใช่ระพินคงจะสั่งไว้เนาะ ชัยันพยักหน้าเงึกๆงึกพูดหน้าตาเฉยหญิงสาวผลักอกไี่พูดแบบนี้มัตะบันหน้าหรือยิงไงคนละนัดดีกว่ามะอดีตนายทหารยกมือไหว้ท่วมหัวกลัวแล้วกลัวแล้วไม่จะประคุณทูนหัวลูกช้างไม่สู้แม่ช้างหรอกโอ้ยตัวเองอุตส่าห์สละทั้งลูกที่เพิ่งเกิดทั้งเมียรักออกมาช่วยตามหาพ่อยอดชายของคุณแม่ ลำบากยากแค้นเอาชีวิตเข้าเสี่ยงอยู่ด้วยนี่ยังจะคิดจะมาฆ่าเราได้ลงคออีกเหรอเฮะดาลินค้อนขวักครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งทุกคนสะดุดใจในพฤติการของเจ้าด้วนบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครสนใจอะไรมากนักสิ่งที่พากันเพ่งเลงและสนใจถกเถียงกันมากที่สุดในขณะนี้ก็คือมันเกิดปรากฏการณ์พิสดารอะไรกันขึ้นนี่ ที่อยู่ๆทุกคนเดินทางมาดีๆแท้ๆไม่ได้ยุ่งเกี่ยวหรือสร้างกำไดขึ้นกับไอ้ช้างประหลาดขลุนั้นมาก่อนเลยจนนิดเดียวแต่ก็ถูกพวกมันดักซุ่มเล่นงานประทุษร้ายด้วยเล่ห์ลึกผิดธรรมชาติของช้างป่าสามันไปมากอย่างน่าคิดเริ่มด้วยการงัดหินเพื่อให้กลิ้งเข้าใส่ก่อนแล้วก็ซุ่มเงียบดูเชิงพฤติการมันส่อชัดว่าพร้อมที่จะพลู ก, กันออกมาตะลุมบอลรุมเหยียบคณะพักได้ทันที ทำไมไวทันและช่วยกันระเบิดกระสุนโครมครามกันขึ้นซะก่อนพวกลูกหาแบกของขึ้นมาถึงเสียงขยินและหนานอินช่วยกันอธิบายให้ทราบคร่าวๆแล้วโบกมือไล่ต้อนให้เดินล่วงหน้าไปก่อนโดยให้ขยินนำไปเบื้องหน้าคงเหลือเฉพาะกลุ่มของเจ้านายและหนานอินเท่านั้นที่ยังพิจารณาสิ่งแวดล้อมและพิเคราะห์เหตุกันอยู่โดยยังไม่ยอมผลักจากตำแหน่งก้อนหินที่มีรอยถูกงับนั้น ปีตพรานชดหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริกระนานอินบัตรนี้พิสูจน์ให้เห็นชัดแล้วว่าเป็นมือพรานที่อยู่ในเกณฑ์เยี่ยมยอดควรแก่การไว้วางใจได้เพียงไหนและลงได้จับคู่กันแบบนี้ความยิ่งยงของบุคคลทั้งสองแม้จะไม่ถึงระพินไรวันหรือแง่ทรายก็เฉียดเฉียดไปทีเดียวแหละเพราะทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉินับขันขึ้นทั้งคู่ตัดสินใจอย่างเฉียบพลันรวดเร็ว และฝีมือการยิงปืนสำหรับการพิชิตสัตว์รายขมังที่สุดชนิดช้างใหญ่นัดละตัวถล่มคลืนโดยไม่มีโอกาสแม้แต่จะ ด, ดิน้นเชิดาชายันและดารินก็จำต้องยอมรับเพราะระหว่างที่ถลันเข้าไปเหตุการณ์เกือบจะพร้อมๆกันนั้นอีกสามคนแม้แต่ขยินเองก็ยังมัวเงื ง, งะตะลึงอยู่แต่ทั้งอนุชาและหนานอินยิงอย่างรวดเร็วทันทีโดยไม่พลาดเป้าหมาย ท, ทั้งที่สภาพของมันขนาดนั้นชุลมุนอยู่กระเจ้าด้วนและแนวกระสุนก็ไม่พลาดไปทำรรตาอันตรายกษัตริย์ที่ไม่ต้องการสังหารด้วยบัดนี้สองเบา่าวนายคู่ชีพที่เคยดั้นด้นกันไปเพียงแค่สองคนจนเหยียบเทือกเขาพระศิวะมาก่อนแล้วหันไปซุบซิบหารือกันเองโดยพี่น้องและเพื่อนไม่ทราบว่าทั้งสองปรึกษาอะไรกันชยันสกิดให้เชิากดารินดูแล้วก็บุว่า ดูดูนายกลางกันหนานอินตอนนี้ดิมันช่างเหมือนกนระพินและแง่ส า, ายสมัยก่อนไม่มีผิดมีอะไรก็ซุปซิบหารือกันเองเห็นพวกเราที่มาด้วยกลายเป็นคณะนายจ้างผู้ไม่เดียงสาที่จะร่วมรับรู้รับฟังกับเข้าไปด้วยในชั ย, ยันก็พุ่งมาดังๆว่าเฮ้ยรานชดกับลุงอินมีอะไรก็บอกกันมั่งดิเว้ยจะแอ็กเป็นระพินกับแงส า, า, ายไปหน่อยเลยนะคาพูดที่ว่ากันตรงๆซึ่งหน้าเช่นนี้เอง ทำให้อดีตบ่าวนายคู่นั้นเดินกลับเข้ามาร่วมวงด้วยใครมีความคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับไอช่างนรกที่งัดหินใสเราแล้วรวมกลุ่มคุมเชิงจ้องจะเล่นงานซ้ําอยู่เงียบเงียบเนการของมันแตกก็พระเจ้าด้วนของน้อยเข้าขัดขวางไว้สะก่อนก็พี่กลางกับลุงอินน่ะตอนนี้ก็อยู่ในฐานหพรานําทางอยู่แล้วมีความเห็นยังไงน้องสาวคนเล็กถามสวนมา ม, มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาตินะที่ทําให้ต้องคิดมากซะและ้ว ไอช้างป่าทั่วๆไปนำมาต่อให้ดูร้ายสักขนาดไหนก็จะไม่มีวิธีการอันซับซ้อนไปด้วยเลขกลนถึงขนาดนั้นยังเก่งถ้าคิดจะเข้าทำร้ายพวกเราเพราะความดูร้ายก็จะบุกตะลุยเข้ามาหาซึ่งซึ่งหน้าเท่านั้นไม่ใช่จะซุ่มโจมตีด้วยแผนการเราก็มีสมองของปีศาจคอยบงการแบบนี้แต่โดยเฉพาะยางยิ่งไเล่นงัดหินเข้าใส่และยังแถมซุ่มเงียบเชนอีกด้วยรวมพวกกันมาเป็นกลุ่ม คุมขบวนกันได้ยังกัมีหมวดหมู่ทุกตัวดูจะรับรู้แผนการนโยบายเหมือนกันหมดว่ามันจะต้องทํำยังไงมั่งก็มันมีเจตนาร้ายที่แฝงเร้นเงื่อนงำกว่าพวกเราอ่ะและที่แน่ๆมันก็ต้องการค่าพวกเราทั้งหมดไงชายันพุ่งออกมาก็ใช่แล้วทีนี้มันก็มาถึงปัญหาในข้อที่ว่ามันเพราะอะไรก็ไปทําอะไรพวกมันก่อนแล้วอะไรที่ทําให้พวกมันฉลาด มิไว้พริบปิด ธ, ธรรมชาติช้างป่าทั่วไปถึงขนาดนี้ในฐานะที่เธอกนานอินชำนานกว่าพวกเราก็น่าจะมีความคิดได้ดีกว่าพี่ดีกว่าน้อยหรือดีกว่าชายยันไม่ใช่เหรอพี่ชายใหญ่ของคณะเอ่ยขึ้นโดยเร็วแรชดเกาหั ว, หวรกรากรากถ้กาทางเขาเท่ไม่ใช่เล่นอยู่แต่สำหรับน้องสาวคนเล็กคือหม่อมราชวงศ์หญิงดารินมองดูแลอยังไงยังไงก็ไม่เหมือนระพินสักนิด คนละสไตล์เลยถึงแม้จะวางท่าเป็นพรานใหญ่สักขนาดไหนหลอนดูพี่ชายกลางแล้วก็แอบคิดเปรียบเทียบอยู่ในใจขณะเดียวกันก็ยิ่งทำให้ห่วงอาวรไปถึงบุรุษผู้นั้นเพิ่มทวีขึ้นอีกเหตุการณ์ที่ทุกคนเผชิญอยู่ในขณะ น, นี้ถ้ารพินไรวันอยู่ด้วยสักคนเดียวเท่านั้นความดำมืดมันก็จะกลายเป็นความสว่างโดยไม่ยากนะผมนานอินก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันครับพี่ใหญ่ เราตั้งเป็นข้อสังเกตและระมัดระวังตัวไว้ตลอดเวลาก็แล้วกันก็คงจะค้นพบความจริงเขาเองละถ้าหากไอ้ช่างหลงนี้ยังจองเวรกับเราอีกต่อไปในหนทางข้างหน้าตอนนี้อย่าเพิ่งค้นหาคำตอบออกมาให้ได้เลยครับเอาเป็นว่าเดินทางกันต่อไปดีกว่านี่ก็มือเต็มทีแล้วอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงเราก็จะถึงหมู่บ้านซัก บ, บอนคืนนี้เราจะพักกันที่นั่นบางทีจะได้ข่าวอะไรบ้างไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นข่าวของระพินหรือข่าวของไอช้ช้างพิลึกโขลงนี้ทั้งห้าคนเคลื่อนที่ทันทีติดตามพวกลูกหาบที่ขยินต้องนำหน้าเลี้วไปก่อนแล้วชั่วไม่นานก็ทันกันดารินบ่นถึงเจ้าด้วนด้วยความเป็นห่วงไปตลอดเวลานานอินจึงบอกให้หล่อนพออุ่นใจว่านายอย่ะห่วงไปเลยถ้าไอ้ด้วนมันฉลาดจริงมันจะไม่เตลิดไปไหนหรอกก็คงจะป้นเปลี่ยนอยู่ใกล้ๆพวกของเรานี่แหละ บางทีจะไปเดินนำอยู่ข้างหน้าโดยที่เราไม่เห็นก็ได้แล้วถ้ามันยังอยู่ใกล้ๆเราไอ้ช้างเรเรคโค ล, ลงนั้นก็ไม่ทาอะไรมันหรอกมันน่าแปลกอะไรอยู่อย่างหนึ่งนะลุงอินหล่อนพูดเหมือนรำพึงดวงตารีลงทำไมเจ้าด้วนมันถึงไม่ตามคณะของพรานใหญ่ไปแต่กลับมาป่นเปียนอยู่กับฝ่ายเรานานอินตอบได้แต่เพียงว่า มันไม่กล้าตามนายใหญ่หรอกนายหญิงเพราะเห็นกันทีไรแกตะเพิดไหล่มันเข้าป่าไปทุกครั้งตามปกติมันก็ท่องเที่ยวหาให้กินอยู่ไกลๆหนองน้ำแห่งมันนานปีแล้วไม่ไปไหนไกลเหมือนช้างบ้านมากกว่าช้างปา่าแต่ชายันพูดแทรกขึ้นมาว่ามันอาจจะเกลียดที่หน้าแม่มสองคนนั่นก็ได้เลยไม่อยากจะตามไปด้วย แต่ที่แน่ๆก็คือมันรักเธออย่างไงล่ะน้อยก็ เ, เธอช่วยมันไว้เมื่อเช้านี้ไงก็เลยมาวนเวียนเดินนําหน้าบ้างตามหลังมั่งอยู่ต้อยี่ต้ อ, ตอนิดินมองดูเพื่อนชายด้วยหางตาอย่างขมิญขมิญ น, นี่นี่นี่อย่ามาแกล้งพูดอกใจฉันหน่อยเลยชยันแต่ฉันสังหรณนนะสังหรณี่เจ้าด้วนนี่แหละที่อาจนําทางเราให้ตามไปพบประพินก็ได้นี่เธอแานใหญ่นําทางของเราในขณะนี้คือ น, นายชดกนหลังอิน ไม่ใช่เจ้าช้างขาเต๋อหางกด ต, ตัวนั้นน่ะก็ไม่แน่นักหรอกมาลองดูกันก็ได้เขาบอกให้รู้ไว้ก่อนเลยว่าถ้าเจ้าด้วนปรากฏตัวนำทางไปทางด้านใดเน่ะฉันจะตามมันไปทางด้านนั้นทันทีบอกให้พรานชดหรือลุงอินจะตัดสินใจไปทางไหนก็ตามเถอะและแม้ใครจะไม่เห็นด้วยฉันก็จะตามเจ้าด้วนไปคนเดียวฉันเชื่อจากสังห้องงงฉันชนเนี่ยฮึไปหนุ่มมาก ชายันเบกปากแล้วไม่กล่าวอะไรอีกดารินก็ไม่พูดอะไรเช่นกัน